ปรับดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟซูตอนที่สี่ร้อยยี่สิบเก้าเรื่องการสแสวงหาประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเราได้เห็นความจําเป็นนะครับว่าชีวิตคริสเตียนเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่เมื่อเรามองดูขึ้นจักชีคริสเตียนการประกาศคึ้นจักรในโลกที่สามหรือ ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเป็นขององค์พระเยซูและพระเยซูนั้นได้ส่งพระวิญญาณของพระองค์สถิตยอยู่กับเราอย่างครับการปฏิบัติหน้าที่ของเรานั้นเรารู้ว่าตัวเองน้นบกพร่องต่ำกว่ามาตรฐานของพระเยซูเราไปไม่ถึงประสบการณ์ของคริสตจักรและคริสเตียนเริ่มแรกแล้วขอบพระคุณพระเจ้านะครับสําหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทาน ก, ากับเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและ พระองค์ยังทรงกระทําการของพระองค์อยู่กระทำพระราชกิจของพระองค์อยู่ในเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรและทรงนําเราให้ประทานความหิวกระหายพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการรับการเติมเต็มที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเรานั้นต้องการการพื้นฟูอย่างแท้จริงครับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเยี่ยมเยียนเครื่อจักรอย่างน่าอัศจรรย์ในหลายๆเครื่อจักรนั้นนํามาซึ่งความลึกซึ้งความล้ําลึก และความเจริญก้าวหน้าในขณะเดียวกันครับเราก็ใฝ่หาประสบการณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพระเยซูมาเพื่อที่ให้ชีวิตประทานชีวิตและชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์บริบริบูรณ์มากขึ้นทุกวันทุกวันโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในการเข้าถึง การมีประสบการณ์การแสวงหาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีพื้นฐานอยู่สี่ประการด้วยกันครับการแสวงหาประสบการณ์นั้นมีพื้นฐานอยู่สี่ประการด้วยกันประการแรกนะครับโดยพื้นฐานประการแรกจะต้องบรรลุเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้พระเจ้าตั้งไว้สําหรับเราอะไรที่ต่ํากว่ามาตรฐานที่พระเจ้าตั้งนั้น ทุกสิ่งไม่เป็นที่พอพระไทยเพราะฉะนั้นเป้าของเราจะต้องบรรลุมาตรฐานของพระเจ้าเราไม่ควรพอใจกับสิ่งที่ต่ํากว่านี้หลายหลคนที่อ้างว่าติดตามพระเยซูเราจะต้องสะแสวงหาที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายของพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นประเด็นพื้นฐานประเด็นแรกก็คือเป้าหมายของพระเจ้านั่นเองครับเป้าหมายหรือมาตรฐานของพระเจ้า สำหรับประชากรสำหรับเราทั้งหลายทุกคนา ก, การที่เราจะมีประสบการณ์กับเพื่อนยันบริสุทธิ์นั้นเริ่มต้นก็คือจะต้องสํานึกถึงความผิดบาปด้วยเหตุที่เราพลาดเป้าหมายของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความกระตรรือร้นปรารถนาที่จะฉวยและยึดมั่นในคําสอนปรารถนาที่จะโปรนนตัวถวายตัวเพื่อที่ชุดของเรานั้นจะไปถึงเป้าหมาย นั่นคือประการแรกประการที่สองก็คือว่าในการค้นพบเป้าหมายของพระเจ้าจะต้องหาจากพระคมภีร์ครับเมื่อเราหาจากพระคำพีเราก็จะรู้ว่าประสบการณ์ในพระวิญญาณ น, นั้นเป็นอย่างไรน้ำมันไทยของพระเจ้านั้นสำหรับคนทั้งหลายที่ระบุไว้ในพระวจนะของพระเจ้าก็คือในพระคำพีรนั่นเองและนี่คือที่ที่เราจะเรียนรู้นะครับ และในเบื้องต้นไม่ใช่ให้เรียนรู้จากประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มไม่ว่าประสบการณ์เหล่านั้นจะสมเหตุสมผลเพียงไรก็ตามหากว่าขัดแย้งกับพระบัญญัก็จะใช้ไม่ได้ในขณะเดียวกันครับเราก็ไม่ควรโลภอยากได้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับคนอื่นหรือเราอาจจะอยากเร่งรัดคนอื่นให้รับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังครับ อย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะเหมือนเราในขณะเดยียวกันครับเราต้องไม่คาดหวังนะครับรว่าเราจะได้รับและมีประสบการณ์เหมือนกับคนอื่นเว้นนะครับยกเว้นแต่เฉพาะที่สําแดงชัดเจนในพระกัมพีซึ่งอยู่ในโพชนาของพระเจ้าพี่น้องครับส่วนหนึ่งของพระพ ร, พรที่พระเจ้าสัญญาให้กับประชากรของโปร่งทุกคนนะครับนั้นบันทึกอยู่ในพระกัมภีร์ สิ่งที่เราจะต้องส่อแสวงหาประสบการณ์เพื่อตัวเองและสิ่งที่เราสอนแก่คนอื่นต้องอยู่ในขอบเขตท่ากมธีควบคุมไว้เท่านั้นนะครับเมื่อพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเราอย่างบริบูรณ์เท่านั้นเราจึงจะสามารถประเมินประสบการณ์ต่างๆของตัวเราเองและของผู้อื่นการจะนําเอาประสบการณ์มาเป็นบรรทัดฐานของความจริงเป็นไปนไม่ได้ครับและต้องใช้ความจริง เป็นบรรทัดฐานของประสบการณ์เสมอทีนครับโปรดฟังครับครับอย่าเอาประสบการณ์มาเป็นบรรทัดฐานของความจริงแต่ต้องใช้ความจริงก็คื อ, พ, อ, อพระเจ้านั้นเป็นบรรทัดฐานของประสบการณ์เสมอพูดง่ายๆก็คือว่าความจริงหรื อ, พ, อ, อพระเจ้านั้นเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ประการที่สามครับโดยพื้นฐานเป้าหมายของพระเจ้าซึ่งทรงสำแดงไว้ในพระธรรมทีนั้นควรแสวงหาจากส่วนที่สอนนะครับมากกว่าเรื่องเล่ากล่าวคือเราควรแสวงในคำสอนของพระเยซูประสบการณ์ที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพยายามครับหลีกเลี่ยงที่จะเอาประสบการณ์นะครับเหตุการณ์ต่างๆในพระธรรมกิจการ สิ่งที่เกิดกับคนอื่นๆพี่น้องครับไม่จําเป็นว่าต้องเกิดขึ้นกับเราอันนี้เป็นพื้นฐานหรือหลักการประการที่สามนะครับการแสวงหาประสบการณ์ในพระวจนะต้องแสวงหาในคําสอนหรือหลักคําสอนของพระเยซูนะครับคําเทศนาจดหมายฝากของอัครทูตที่บันทึกไว้นะครับมากกว่าจะค้นหา ประสบการณ์จากตอนเล่าเหตุการณ์ต่างๆพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่หลายหลคนนั้นก็เป็นกับดักหลุมพรางทําให้หลายคนนั้นก็ไปยึดเอาประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงกับบุคคลบางคนกลายมาเป็นหลักการเนะครับเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องส่วนรวมตรงนี้จะทําให้เกิดความเข้าใจที่ค่อยเพยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าต้องระวังให้ดีประการสุดท้ายครับประการที่สี่ซึ่งเป็นหลักการในการสแสวงหาประสบการณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สี่นั่นก็คือว่าแรงจูงใจของเราในการเรียนรู้เป้าหมายของพระเจ้าจากคําสอนในพระภี์นั้นเป็นเรื่องที่จะนํามาซึ่งผลดีในทางปฏิบัตินะครับและในด้านเฉพาะบุคคลส่วนบุคคลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ตรงนี้ครับจะต้องมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ถูกต้องครับในการแสวงหาประสบการณ์ของพระเจ้าการมีแรงจูงใจที่พยายามเรียนรู้พระวจะนะของพระเจ้าจากหลักคำสอนต่างๆในเพิ่มทีทำให้เกิดผลดีกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับอย่าไปขัดแย้งนะครับเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวอย่าไปขัดแย้งในเชิงวิชาการนะครับพี่น้อง เพราะเราเป็นพี่น้องกันในครอบครัวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหากใครก็ตามที่เอาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วมากลายเป็นประสบการณ์ส่วนรวมแล้วพยายามที่จะให้ทุกคนจะมีประสบการณ์อย่างนั้นเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรในขณะที่เราเป็นพี่น้องกันในครอบครัวเดียวกันของพระเจ้าเราต้องรักซึ่งกันและกันแล้วต้องใส่ใจที่จะรู้น้ำมันไทยของพระเจ้าเพื่อตัวเรานั้นจะยึดถือไว้และเพื่อจะแนะนําและสนับสนุนคนอื่น โปรดอย่าเอาประสบการณ์ส่วนตัวกลายเป็นประสบการณ์ส่วนรวม น, นั่นคือความเชื่อส่วนบุคคลในด้านเล็กๆของอหรือเรียกว่าไมเนอร์นะครับเรื่องไมเนอร์อย่าเอามาเป็นเมเจอร์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่ขัดแยง้งเราไม่ควรจะมีความปรารถนาที่จะได้ทีขี่แพะไล่หรือทับถมกันหรือโต้แย้งกันในเชิงศาสนา แต่เราจะต้องรักซึ่งกันและกันและใส่ใจในการเรียนรู้น้ำมัทยของพระเจ้าทั้งสี่อย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานหรือหลักการในการเข้าถึงประสบการณ์ที่เราจะมีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องเดินในทางแห่งน้ำมไทยที่พระเจ้าตั้งไว้สําหรับเราการเปียมโล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของมาทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็พันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณต่างๆนั้น เราจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ในหลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้าแล้วเราค่อยเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เรามีอยู่หรือของคนหนนึ่งคอื่นๆ น, นั้นมาเสริมครับและเพื่อที่เราจะรับการเติมเต็มหรือว่าเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณในที่สุดนี่คือประสบการณ์ในพระวิญญาณการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน